หมายเหตุการตีความเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทได้กล่าวในเชิงอัดหมายเลข297ของหน้าที่8แห่งบทว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทนี้ซึ่งตรงกับหน้า159ของหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายนี้ว่าคำพีอัตถกถาวิพังแห่งพระอภิธรรมปีดกคือสัมโมหวิโนทนี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 ท่านผู้ยึดถือหลักฐานทางคำภีเป็นใหญ่อาจเห็นไปว่าการทำเช่นนั้นเป็นการตีความนอกแบบแผนขาดหลักฐานและเกิดความห่วงใหญ่ไม่สบายใจเพื่อความอุ่นใจและสบายใจร่วมกันจึงได้ยกหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าการอธิบายความแห่งปฏิจจสมุปบาทแบบชีวิตประจำวันนั้นมีหลักฐานในคำภีแม้ว่าจะอธิบายไม่ถึงกับเหมือนหรือตรงกันทีเดียว แต่หลักฐานนั้นแสดงให้เห็นชัดและมั่นใจว่าการอธิบายแม้แต่ในระดับที่กระบวนการดาเนินไปอย่างละเอียดรวดเร็วที่สุดในปัจจุบันถึงอย่างนี้ก็ยังมีคําอธิบายไว้แล้วเป็นแต่มีข้อหน้าสังเกตว่าหลักฐานที่มีนั้นอาจเป็นร่องรอยของอดีตที่เลือนรางมองข้ามหรือปล่อยลืมกันไปและที่ยังเหลืออยู่ได้ก็เพราะมีแกนคือพระตรัยปิฎกยืนยันบังคับอยู่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 คำอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในสัมโมหวิโนตนีแบ่งเป็นสองตอนตอนแรกอธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติเหมือนวิสุทธิมักแต่ตอนสองอธิบายแบบความเป็นไปในขณะจิตเดียวคัมภีสัมโมหวิโนตนีนี้ก็เป็นนิพนธ์ของพระพุทธโคส า, าจารย์เช่นเดียวกันและตามตำนานว่าท่านเขียนหลังคัมภีวิสุทธิมักด้วยแปล ก, กันเพียงว่าวิสุทธิมัก ท่านแต่งเป็นอิสระอย่างเป็นผลงานของท่านเองส่วนสัมโมหวิโนทนีเป็นอัตถกถาอธิบายความในพระอภิธรรมปิดกและพระพุทธโกษาจารย์ได้กล่าวไว้ในอารัมปกถาด้วยว่าคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีนั้นข้าพระเจ้าสะสางในยะอัตถกถาเก่าเก่าเรียบเรียงขึ้นแม้คมภีร์วิสุทธิมักที่ว่าเป็นผลงานอิสระของท่านเอง พอถึงตอนว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทพระพุทธโคสาจารย์ก็เขียนออกตัวว่าการอธิบายความแห่งปฏิจจสมุปบาททําได้ยากวันนี้ใครจะกล่าวพันน า, นาปัจจยาการทั้งที่ยังหาที่อาศัยไม่ได้เหมือนดังก้าวลงสู่สาครยังไม่ได้ที่เหยียบยันก็แต่ว่าคําสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ประดับประดาไปด้วยนัยยะแห่งเทศนาต่างๆ อีกทั้งแนวทางของบูรพาจารย์ก็ยังเป็นไปอยู่ไม่ขาดสายเพราะเหตุนั้นข้าพระเจ้าจะอาศัยหลักสองอย่างนั้นลงมือพนานาความแห่งปฏิจจสมุปบาทคำอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวิสุทธิมักนี้เมื่อเทียบกับในสัมโมหวิโนธนีมีตอนเดียวคือตอนแรกที่อธิบายแบบข้ามพบข้ามชาติ ไม่มีตอนที่อธิบายแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวและตอนที่อธิบายแบบข้ามภพข้ามชาติก็แทบไม่แตกต่างกันเลยกับคำอธิบายในสัมโมหวินโนทนีเพียงแต่ขยายความบางส่วนให้พิสดารออกไปกว่ากันบ้างมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจมีผู้ตั้งคำถามว่าเหตุใดในวิสุทธิมรรคจึงไม่มีตอนที่อธิบายปฏิจจสมุป บ, บาทแบบเป็นไปในขณะจิตเดียว เหมือนอย่างในสมโมหวินโนธนีที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นได้ว่าแม้แต่ในสมัยของพระพุทธโคสาอาจารย์การเรียนการสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวงการศึกษาพระาศาสนามีแต่อธิบายแบบข้ามพบข้ามชาติกันทั้งนั้นในวิสุทธิมตรตท่านจึงจับเฉพาะแง่นั้นอีกอย่างหนึ่งอาจเป็นด้วยว่าในการอธิบายแบบข้ามพบข้ามชาต ท่านอาจรู้สึกสะดวกใจมากกว่าเพราะถึงจะยากอยากที่ท่านเขียนปรารภไว้ก็ยังมีแนวของอาจารย์สอนกันสื บ, สบมาจนถึงเวลานั้นส่วนการอธิบายแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวเป็นเรื่องทั้งยากและการอธิบายในวงการศึกษาก็ขาดตอนไปซิีแล้วดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่ในคำพีสัมโมห์วินโนทนีเองตอนที่อธิบายแบบขณะจิตเดียวก็สั้นอย่างยิ่ง อาจเป็นได้ว่าที่ยังมีอยู่ก็เพราะมีพระไตรปิฎกยืนยันบังคับอยู่จําเป็นต้องอธิบายเมื่อไม่อธิบายมากก็อธิบายแต่น้อยและเพราะมีร่องรอยจากอัตถคถาเก่าๆเหลืออยู่จึงว่าไปตามที่พอจะมีหลักฐานเดิมเท่านั้นทีนี้หันมาพูดถึงคําอธิบายในสัมโมหะวิโนโอทนีโดยเฉพาะสัมโมหะวิโนทนี เป็นอัธกถาอธิบายคำภีวิพังซึ่งเป็นคำภีที่สองแห่งพระอภิธรรมพิดกคำภีวิพังแห่งพระอภิธรรมิดกนั้นตอนที่อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรียกว่าปัจจาการวิพังแต่ฉบับอักษพรพม่าเรียกชื่อตอนนี้ว่าปฏิจจสมุปบาทวิพังในอัธกถาที่ต่างๆมีเรียกทั้งสองชื่อตอนที่อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาท ในคำพีวิพังแห่งพระอภิธรรมปีดกนั้นแบ่งเป็นสองตอนคือสุดตันตับภาชนีแจ้งความหรือขยายความแบบพสูตรและอภิธรรมภาชนีแจงความหรือขยายความแบบอภิธรรมคำพีสัมโมหวิโนธนีซึ่งเป็นอัตถกาถาก็แบ่งอธิบายเป็นสองตอนตามนี้ด้วยคำพีสัมโมหวินโนทนี ได้แสดงความแตกต่างแห่งคําอธิบายสองตอนนี้ไว้ว่าพระศาสดาครันทรงแสดงปัจจัยการแบบจิตต่างๆดวงในสุดตันตพาชีนีแล้วเนื่องด้วยปัจจาัยการนี้จะมีเฉพาะในจิตต่างๆดวงอย่างเดียวก็หาไม่ย่อมมีแม้ในจิตขณะเดียวนี่แหละฉะนั้นในบัทนี้ทรงประสงค์จะแสดงปัจจัยการ ที่เป็นไปในขณะจิตเดียวโดยประการต่างๆแบบอภิธรรมภาชนีอีกแห่งหนึ่งใกล้กันนั้นท่านกล่าวว่าในสุดตันต r a ภาชนีนั้นทรงจำแนกปัจจัยาการเป็นไปในขณะจิตต่างๆกันในอภิธรรมภาชนีนี้ทรงปรารบปัจจัยาการเป็นไปในขณะจิตเดียว มีตัวอย่างคำอธิบายแบบเป็นไปในขณะจิตเดียวในชีวิตประจำวันเช่นเพราะชาติเป็นต้นความเกิดแก่ตายเหล่านี้ได้แก่ความเกิดแก่ตายของอรุณธรรมทั้งหลายฉะนั้นจึงไม่ได้ตรัสว่าภาวะที่ฟันหักภาวะที่ผมงอกภาวะที่หนังเหี่ยวย่นการจุติกิริยาที่เคลื่อนจากภพดังนี้ มีข้อหน้าสังเกตว่าในคำพีวิพังคือในพระไตรปิฎกภาคสุตตันตปาชนีที่ว่าด้วยปัตจัาการในจิตต่างๆดวงแบบเน้นการข้ามพบข้ามชาติมีเพียงห้าหน้าภาคอภิธรรมภาชนีที่ว่าด้วยปัจจัยาการในจิตดวงเดียวมีถึง72หน้าแต่คำอธิบายในสัมโมหวิโนทนีกลับตรงข้ามคือตอนอธิบายสุตตันตปาชนี ยาวถึงเก้าหน้าส่วนคําอธิบายอภิธรรมภาชนีมีเพียงส9เกหน้าการที่คําอธิบายในอภิธรรมภาชนีสั้นนักอาจเป็นเพราะพระอัตฐกถาจารย์คือพระพุทธโขสาจารย์ไม่มีอะไรจะพูดมากนักเกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือเป็นเพราะท่านเห็นว่าในพระไตรปิฎกแสดงไว้ยืดยาวละเอียดดีแล้วไม่ต้องอธิบายมากจะอย่างไรก็ตาม